ทำบุญแก้กรรมตอนกรรมกับความรักทุกพ่อรักเป็นเรื่องที่เจอแทบทุกคนเป็นทุกทางใจอันดับต้นๆซึ่งเป็นธรรมดาของโลกดังคำพระว่าที่ใดมีรักที่นั่นย่อมมีทุกชีวิตปกติเป็นทุกอยู่แล้วแต่หลายคนต้องเจ็บเพิ่มหลายเท่าจากกรรมที่เคยผิดศีลข้อสามในอดีตคือการนอกใจคนรัก ผิดลูกเมียคนอื่นมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลต้องห้ามเช่นญาติพี่น้องนักบวชเมื่อทำกรรมไม่ดีไว้จะเกิดพลังงานรูปแบบหนึ่งสะสมในจิตมีผลดึงคนมีพลังงานคล้ายกันมาใกล้หรือชอบพอถูกคอกันง่ายขึ้นหากเคยนอกใจเป็นชู้หลังเกิดใหม่หรือเวลาต่อมาจะดึงให้ถูกชะตากับคนเจ้าชู้หลายใจ จะทำให้มันไส้หรือมองข้ามคนดีมีศีลที่รักจริงคำที่ว่าผู้หญิงชอบคนเลวผู้ชายชอบผู้หญิงเร้าใจความจริงก็คือผู้หญิงเลวกินเลดหนาจะชอบผู้ชายเลวผู้ชายที่ชอบผู้หญิงเร้าใจแต่งโป้ก็มีแต่พวกหื่นกามเท่านั้นไม่ได้ชอบเพราะรักจริงผู้หญิงดีจะชอบคนดีขยันรักจริงดูแลครอบครัวได้ผู้ชายดี ต้องการกุลสตรีมาเป็นแม่ของลูกนอกนั้นก็แค่ที่ระบายอสุจิเท่านั้นลองนึกถึงคนที่มีพร้อมทั้งหน้าตาฐานะการศึกษาจะเป็นที่ชื่นชอบในใจของหลายคนแต่ให้คิดจีบเป็นแฟนอาจลังเลว่าเราไม่คู่ควรและคงไปกันได้ยากยกเว้นถ้าเรามีดีพอกับเขาคนปล่อยตัวมั่วกรรมมานานหากได้เจอคนดีพร้อมทุกอย่าง ถึงจุดหนึ่งจะรู้สึกไม่คู่ควรขยะขยงตัวเองคิดอยากให้เข้าเจอคนดีกว่าเราสะสมพลังงานหรือนิสัยแบบใดไว้จะเป็นสะพานให้เชื่อมกับคนในระดับเดียวกันได้ง่ายคนรักที่จะไม่นอกใจต้องเป็นคนดีรักษาศีลเท่านั้นซึ่งจะได้คนดีมีศีลเป็นคู่ครองก็ต่อเมื่อเราต้องมีศีลและมีดีให้พร้อมก่อนด้วยถึงจะครองคู่ยาวนานและมีความสุขได้จริง การผิดสินข้อสามมักส่งให้จิตพร่ามัวตัดสินใจและมองคนผิดกว่าจะรู้ว่าไม่ดีจริงก็เสียตัวหรือหลงรักไปแล้วหลายคนเจ็บเจียนตายเพราะทุ่มรักหมดใจเฝ้ารำพึงแต่ว่าทำไมต th <t> ้องโดนทำร้ายแบบนี้ทั้งที่เป็นคนดีไม่เคยคิดนอกใจแม้มีโอกาสแต่หารู้ไหมว่านั่นเป็นแรงกรรมที่เคยทำไว้ดนใจให้หลงรักคนผิดยางถอนตัวไม่ขึ้น ยิ่งรักมากก็ยิ่งทุกมากทำให้เจ็บตอนกำลังรักสุดหัวใจเป็นจังหวะที่กรมจัดสรรเอาคืนให้สมกับที่เคยทำคนอื่นไว้ในอดีตแต่กลับทำให้บางคนเข้าใจผิดว่าหากรักจริงเป็นคนดีแล้วจะเสียเปรียบเป็นคนโง่ต้องเจ็บอยู่ฝ่ายเดียวบางคนถึงขั้นประชดเลิกรักใครจริงปล่อยตัวมั่วกรมสุดโตงไปเลยก็มี มนุษย์เป็นสัตว์ชนิดเดียวที่มีเพศสัมพันธ์ได้ด้วยความรักคนมั่วการมได้ไม่เลือกหน้าโดยไม่ต้องมีความรักเท่ากับสร้างจิตให้ห่างจากความเป็นมนุษย์ไปเรื่อยหลังตายมีโอกาสสูงที่จะได้เกิดใหม่เป็นสัตว์เดรัจฉานเพื่อผสมพันธุ์ได้โดยไม่ต้องมีความรักไม่มีใครลงโทษให้เกิดเป็นสัตว์แต่การจะไปเกิดเป็นอะไรขึ้นอยู่กับข้อมูลในจิตที่ได้สะสมไว้จะประมวลผลในการสร้างรูปกายใหม่ ให้หลังตายจากชาตินี้ผมเคยเขียนบทความไว้ใน Facebook นะครับเป็นรูปตัวเหียผสมกันคำว่าเหียไม่ได้หยาบนะครับเป็นชื่อของมันจริงๆตัวเฮียสองตัวผสมพันกันแล้วผมก็ขึ้นข้อความว่าเฮียกับเฮียเท่านั้นที่สมสู่กันไม่มีทางที่เฮียจะไปสมสู่กับแพนด้าดังนั้นใครก็ตามที่แฟนกาลังมีชู้นอกใจก็ขอให้ระลึกให้ดีนะครับว่า เหีย er, ย่อมสมสู่กับเฮียเท่านั้นอันนี้เปรียบเทียบนะครับไม่ได้ว่าใครแต่บางครั้งการให้กําลังใจคนบางคนจาเป็นต้องใช้คำที่แรงคำที่โดนใจไม่อย่างนั้นก็ไม่สามารถกระชากจิตออกมาได้จากความทุกข์นะครับจิตที่สร้างรูปกายใหม่นี้วิทยาศาสตร์ก็พิสูจน์ได้แล้วเรื่องจิตได้สานึก ที่ทำงานสร้างร่างกายจากเด็กจนโตเป็นผู้ใหญ่ได้เองโดยอัตโนมัติเป็นเครื่องยืนยันว่าจิตสร้างรูปกายได้จริงจิตประนีตย่อมสร้างรูปกายได้ประนีดจิตหยาบย่อมสร้างกายให้หยาบพิการหรือหน้าเกลียดได้แตกต่างกันไปผลของวิบากจากชาติก่อนส่งให้มีรูปกายในปัจจุบันไม่ได้หมายความว่าจิตจะดีหรือชั่วเหมือนเดิมหากยังไม่บรรลุเป็นพระอริยะ ก็ยังเลื่อนขึ้นลงปรับเปลี่ยนได้เสมอด้วยกรรมปัจจุบันสิ่งที่หลายคนมองข้ามคือกรรมที่ทำกับพ่อแม่ซึ่งย้อนให้ผลจากคนที่เรารักและเกรงใจมากสุดคือลูกคนรักลูกค้าหรือเจ้านายแค่ตอนเด็กโดดเรียนกลับบ้านช้าปล่อยพ่อแม่รอด้วยใจทรมานก่วงสารพัดโทรไปไม่รับวินาทีที่พ่อแม่คิดถึงลูกแทบขาดใจ อาจย้อนกลับให้มีแฟนชอบแอบหนีเที่ยวไม่รับโทรศัพท์ปล่อยให้รอเกอร์หายไปให้ห่วงเป็นประจำหากเป็นลูกที่ไม่เคยช่วยงานบ้านอาจต้องรับกรรมเป็นขี้ข้าในจ้างเหนื่อยสายตัวแทบขาดเพื่อลูกค้าที่เคารพหรือกลายเป็นคนใช้ให้คนที่ตัวเองรักหลายคนไม่เคยเป็นห่วงแสดงความรักให้พ่อแม่ชื่นใจกรรมก็จะส่งให้ได้คนรักที่เหมือนเฉยทําให้รู้สึกว้าเว ไม่ต่างกับที่พ่อแม่เรารู้สึกเช่นกันการใส่อารมณ์ใช้คาแรงตะคอกใส่พ่อแม่เจ้าอารมณ์งอนร้ายสาระสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นกรรมร้ายแรงที่รอการสะท้อนคืนให้คุณโดยผ่านคนที่คุณรักหรือผู้มีอำนาจเหนือคุณอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้กรรมเป็นเรื่องซับซ้อนแต่พอคาดเดาเท่านั้นว่าสิ่งที่กําลังเผชิญน่าจะเกิดจากทำอะไรไว้ในอดีต วิธีแก้กรรมเฉพาะด้านจึงต้องหวานให้ทั่วทําให้ครอบคลุมให้มากไว้ก่อนหากมีปัญหาเรื่องความรักแนะนําให้ทําบุญด้านที่เกี่ยวกับการให้ความรักโดยตรงก่อนเริ่มที่พ่อแม่ครูอาจารย์ผู้มีพระคุณตัวอย่างการกอดหอมบอกรักพ่อแม่บ่อยๆเพียงเท่านี้ก็มีโอกาสทําให้คุณเจอคนรักที่กอดหอมและบอกรักคุณบ่อยเช่นกันสิ่งที่ทําให้พ่อแม่สุขใจในอันดับต้นๆ คือความรักห่วงใยจากลูกตัวเองงานวิจัยบอกว่าสิ่งเหล่านี้ทำให้มีกําลังใจสู้ชีวิตสู้ปัญหาส่งผลให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นด้วยใครเลี้ยงสุนัขคงรู้ดีนะครับว่าเวลาเขาดีใจที่เจอเราแสดงความรักต่อเรามันทำให้หายเศร้าหายท้อใจและมีความสุขได้อย่างไม่น่าเชื่อจึงเกิดเป็นาศาสตร์สุนัขบาบัด ร, รักษาคนป่วยในหลายประเทศได้ผลเป็นอย่างดี ทำบุญกับพ่อแม่ให้หัดทำตัวเหมือนหมาไว้บ้างนะครับคือยิ้มดีใจสีหน้าสดชื่นเมื่อเจอพ่อแม่เมื่อโดนตีโดนดุก็ไม่โกรธนั่งฟังด้วยกิริยานอบน้อมไม่แสดงอาการต่อต้านพออารมณ์เย็นก็เข้าไปเอาใจอีกสารพัด ท, ที่ลองนึกถึงดูพฤติกรรมของหมาเอาละกันนะครับซึ่งหลายคนก็รักหมามากกว่าลูกตัวเองซะอีกเพราะมันเอาใจเก่งกว่าลูกเราเอง ถ้าคุณทำได้รับรองว่าเป็นบุญใหญ่ที่ส่งให้พ่อแม่คุณมีความสุขมากขึ้นได้และแน่นอนว่าผลกรรมจะส่งให้คุณมีความสุขกับคู่รักของคุณเช่นกันครูอาจารย์สอนไว้ว่าถ้ามีปัญหาหัวใจนอกจากบุญที่ต้องทำกับพ่อแม่ก่อนแล้วให้ลองออกไปทำบุญให้หลากหลายติดต่อกันสักเจวันทาบุญให้ความรักด้วยการซื้ออาหารเลี้ยงหมาแมวข้างถนน ให้อาหารปลาไปช่วยเลี้ยงเด็กกำพร้าตามูลนิธิซื้อขนมของเล่นไปให้เด็กเร่ร่อนเยี่ยมคนทิ้งในบ้านพักคนชราช่วยกิจกรรมกุศลของมูลนิธิต่างๆถวายเพลพระที่โรงพยาบาลสงศ์ตักบาทถวายสังฆทานและอื่นๆการเดินทางไปทําบุญเพียงลำพังจะทําให้เกิดความเข้มแข็งทางจิตคนทุกเพราะรักส่วนใหญ่มักมีจิตที่จ้องพึ่งพาหากาลังใจจากคนอื่น ถ้าต่างคนต่างต้องการความรักจากอีกฝ่ายก็เหมือนเสือที่ผลัดกันกินเนื้อจึงต้องทุกข์ทั้งคู่จะมีสุขจริงต้องเกิดจากต่างปรารถนาดีอยากทำให้อีกฝ่ายมีความสุขส่วนใหญ่บอกรักมากสุดท้ายรักตัวเองทั้งนั้นต้องการให้เขาเป็นของเราคนเดียวเขาชอบคนอื่นแล้วก็ยังไม่ยอมให้เขาไปมีความสุขในคนที่เขาต้องการการทาบุญในที่นี้หมายถึงคนที่ยังโสด หรือคนที่กำลังพึ่งอกหักนะครับแต่สําหรับคนที่กาลังมีคู่การดูแลเอาใจใส่ดูแลคนรักให้ดีนั่นก็เป็นสิ่งจำเป็นการพูดจาสุภาพซึ่งกันและกันทุกอย่างที่คุณปฏิบัติกับเขาไว้ขอให้ทำเหมือนสมัยพึ่งเริ่มจีบกันใหม่ๆแล้วรับรองได้ว่าคู่ของคุณโอกาสจะนอกใจมีไปได้น้อยมากครับ